พระบัญญัติ125ก็ภิกษุใดโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระสัตรัสวคีจบ